ผู้ไม้เวลาเดินก็นเดินอยู่ไปเรื่อยเดินจนเมยเวลานั่งก็นั่งจนเมยตั้งในใจว่าเ่นานั่งสักห้านาทีแล้วก็สักเดินสักสิบนาทีนเนี้ยหมายความว่าให้นั่งเนี่ยหลายคนเดินสำหรับคนหม่นะพรเดินเนี่ยเป็นเป็นอิริ ว, รวัตผ่อนคายเวลานั่งไปดูๆเนีเนลื่อนลมมันบบมันบบ ลองบอกครองเนี่ร่างกายเขามันหนักแล้วนั่งท่าเดียวหล่เนี่ยเลี่ยดล่มโบเดินสักพักหนึ่งมดกำลังแล้วพอมดกำลังตา ก, ตกัดต๊ะตัวก็เอ็นไปเอ็นมาแล้ววันนี้ใ น, นเอ็นว่ากำลังขาซีมันไปบาไวายแล้วไม่ไงบางคนมือขึ้นบนนั่นไม่ได้นอนมือขึ้นนอนรับวะ ออรับดีอยอะไปใหญ่แต่บางคนหลายคนนอนบนรับในมืนอขึ้นเบื้องเราตายเชียเชี่ยติดบนนอนสองชั่วโมงนอนโตบนไดนเมื่อนี้ผู้ใด ง, วง่วงนักอนุญาตให้มันนอนรับแต่งีบหนึ่งขึ้หลังกินข้าวแล้วหาความพอดีให้ร่างกายอย่าให้เห็นมันทุกข์ลายตจะ อ, ออกจากทุกข์เราไปเห็นให้หใหมันทุกข์มันออกจากมันได้อย่างไรเ อ, อยจะออกจากทุกข์ก็เห็นให้มันสบายด้วย เฮ็ดสบายแต่ให้เฮ็ดเด็กผมเองแต่สบาย่มไปโนนอนเล่นน้องนั่งคุยกันผมเอสบายแนวนั้นเออแ น, นสบายน้ำกีเลสเนี่ยสบายตามใจเจ้าของมันบูถึกสบายตาม่ำทำหมายความว่าเฮ็ดอยู่ทำอยู่งานก็ะไดความสบายก็มี่นี่นะวิธีการของพุทธเจ้าเน่ยที่หลวงพ่อวรวิโรฒน่ะมันมีสองทางจะไปทางใดหนึ่งทางสุขสองทางทุกนี่ว่า ถ้าหากทังสุกให้ไปยังซี่ถ้าจะไปทั้งทุกข์ให้ไปยังซี่เมันบอกไว้ถึงสองทางทุกข์ต้องกําหนดรู้รู้ว่ามันมาจากใสนะแต่ว่าถ้าเหตุทา้งใดทั้ ง, งนึ่งให้ถึกเซอร์นวมันก็เหมือนทา้งเดียวนะ่ะสมมติว่าเข้ามัวทุกข์ทุกข์ด้วยรู้เพื่ออย่างเพื่อจะแก่มั่นใชเด้บ่แม่นจะอยู่กับมันนะ่นเพื่จะแก้มัน่น ทุกกายทุกกายเกิดจากอย่างเกิดจากธาตุซีดินานา้ำร่วมไฟบวสมดุลกันมันทุกเอาก็เเพียนน่ยเพียนเนี่ยไม่สมดุลซะนางโดนหลายกะมันเกินพอดีกะนางนี่มันนางหลายไดหลายนางเนี่ยนางพ้าเพียบบ่ผ้าเพียบซ้ายพ้าเปียบขวานางทับสนนางขูเขานางยืนเขานางขะสมาดหนึ่ง สั่นเดียวข้าสมาดสองสองสั่นข้าสมาดสามสามสั่นข้าสมาดสี่ข้าสมาดปล่อยขานั่งเหยียดขาคุณเด้เป็นเก้านั่งซีบนั่งบัดเวลาม่ใส่นั่ ง, ง, งท่าเดียวมันก็เรย บ, บุสมดุลชักเถื่อนนั่งมันหลายๆทา่าท่าละหาหนาทีห้าหนาทีหลวงพอ่พอหลวงพ่้องลมรับเบิง่งท่านั่งซีบ ส, สองท่านหลวงพ่อนั่งได้อสองชั่วโมงเปลี่ยนไปเป็นมายุหันละปรากฏว่าบานถึงมือเนี่ได้อารมณ์ได้สมาธิ เข้าใจรูมน้าเปลี่ยนไปนเรื่อยๆจะเป็เี่นหน่อยๆเปลี่ยนโหลายยางก็ะเขื่อนยางก้าวนาถอยหลังก้าวหน้าถอยหลั ง, นลงคนจริงเรื่องวิธีการปฏิบัติแบบพูดเนี่ยมันบ่อยากเหล่นี้ที่มันยากเพราะเขาเฮ็ดบถ้กถือหลวงพ่อเฮ็ดมาตั้งหลายปีมันเฮ็ดพิษมืดเฮ็ดคิดว า, นะานอ่ะคูบาลนัน ว, า, นะข า, ขวาน่เฮาคิดวานนังสือเพิ่นวานเะฮาเฮ็ดตามนั่นแต่โบโบในเบื้งพระพุทธเจ้าสอนคักๆกับเปิ้ลวาอย่างไดองสีเนี่ย บนว่าจะไปเหตุ น, หน่อยเกินไปจะไปเหตุหลายเกินไปเหตุพอดีอแต่พอดีของเขาเอ้สันะ่มใดน่ะพอดีพอดีคือเขาทนได้นั่นแนหะทนใดสดั่มใดกับสั่มนั้นนะ่ะดาวทนบุได้กัเวลาเขาทนบุบนได้บุมเนเศร้าอด้เปลี่ยนซะเปลี่ยนไปเหตุทางที่มันทนได้แต่คนบอก่อบุตรองทนทนบุได้กับบตรตงเหตุเลยอันนี้ก็ชูตรงพอดีละ่ะ นทนบ่อใดกัให้หาทางไม่ที่มันทนได้สิ่เดชทางนั้นพอเห็ดไป็นสพักมันทนบ่อใดกับเปี่ยนไม่ก็บมาทษเอาทางนี้มันทนได้นี่เขาเรียกว่าเห็ดพ่อดีคือทนได้เห็ดเบิดมือกับโบเกินพอมันสบายนะแต่ถ้าหากว่าเห็ดท่าใดทนบ่อใดเห็ดอยู่จังสันนี่เขาเรียกเห็ดเกินอเห็ดเกินคือทนเจ้าของทนบ่อใด ถูกแปลว่าทนบมได้เส้นเดชทนทนบมได้บุญให้เปลี่ยนเปลี่ยนเอามันทนได้ทนได้พอดีเอื่นว่าเป็นสุขทนได้เกินพอดีขอเขาเรียกว่าเป็นกามมาดิกรรมมาสุขไปติดความสบายละบ ว, ว, ว่าสบายโพดสบายเกินพอดีอนว่าอันนั้นก็บูธืออันนั้นเป็นกามวสุขันี้กันถ้าบุาสบาย พอทนได้ถ้าสบายจนทนบ่ได้ก็เป็นอันน่ะอัตตะกิเลมาถานุโยกเป็นเด็อันนี้คือความยากของมันมันละเอียดจักหน่อยหนึ่งต้องใส่ปัญญามันถึงจะขึ้นออกตองตกว่าเออถือมันเป็นเสียเพราะเขาว่าทั่งสายกลางในโบมเมนของไงปัญญานด้ถ้าโบมีปัญญานี่เขายากอยู่มันละเอียดขนาดเวลาสั่งใหม่เปิ่นเห็ดงานใหม่นะใส่ลักเส้นลักมินจยั ง, ย, งยากอยู่นะ ใส่ลักมิ่นลักเส้นก็ยังผ่าดอยู่ใส่ปลอดน้ำปุ่นเด้มันถึงจะได้ใส่ปลอดน้ำเสืองหาความพอดีนะเนยเพราะฉะนั้นเอาแล้วนั่งไปมันง่วงเขาก็เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปท่าใดท่าที่มันบ่งง่วงน่ะละถ่าใดก็ไดที่มันบ่งง่วงนั่งไปมันทำท่าใจรับโอ้ทนมาหลายเธอแล้วมันสู้ไปไวหลุกไปนอนกันหน้าว่ะเอยไปนอนมันอิ่มแลับมันนั่งไหมบปเนี้ บววาเด้บาวากันเด้ต่ขอให้มันสบาย น, นั่งทรมานเจ้าของมิดหมือหง่วงมิดหมื่อบ่ได้ ย, ยังยังนั่นบด่ดีทรมานเจ้าของธรรมะกับบ่ได้สู้ไปนอนเต็มทีสักชั่วโมงสองชั่วโมงมาเห็ุใด้ตื่นมิดหมือนเลยวันนีน้อันนั่นดีกว่าเนียอมเซเวลาไปพักให้มันเต็มทีเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปในวิธีการนี่บ่ต้องย่านคู่บ่า เพราะว่าอันใดกระดามที่าห้าบใดเท่าเฮ็ดใดเลื่อยเฮ็ดสบายสบายอันนั้นมันถืกต้องแล้วัวว่าพิษกระดามมันถืกแล้วเพราะมันสบายเข้ามันพอดีเข้าเด้มันบัมันพอดีเพลินเด้พอดีเข้าคือเข้าทนได้นั่นแหละแต่หลวงพ่อจะทนได้ดีกว่านี่ว่าหลวงพ่อจะเอามาตราฐานของหลวงพ่อบ่าได้เนี้ยั่นนี่เป็นของหลวงพ่อบางเปนของมูเข้าแต่มงเข้าทนได้ดีกว่าหลวงพ่ออีกนั่นก็เป็นมาตรฐานของเข้า นะเพราะงั้นเอาได้พ่อดีคือสบายแต่หูซึกบ่ิสบายขึ้นมากกับปั๊บเปลี่ยนให้มันหู้ซึกสบายมันมีทางของมันอยู่หันอันนี้ทางสุกถ้าจะไปทางสุกคือพูดว่ามันแก่มันไขเอาเพอาะร่างกายนี่นมันบริสุบบรเป็น <c oughs> เพราะร่างกายนั้นเป็นอนอัตตาพูนว่ามันเป็นทุกข์ขังโดยธรรมชาติ เป็นอนัตาโดยธรรมชาติเป็นอนิจจงโดยธรรมชาติไปแก้ไขอย่างไรเพราะมันเป็นโคตรไตรัวเป็นธรรมนิยามเพูนว่าโคตรอนิมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทูระองค์พระพุทธเจ้าทูระองค์พูนมาศึกษากคตรอนี้เพูนก็ะทัสรูพอทัสรูพูนก็นํามาบอกเข้าจะไหนแล้วนั่เขาก็มาศึกษานําำพูนแล้วก็เหตุนําทําตามไปให้มันถึกมันต้อง พอเดินมาเทียวนี่จะไปคิดยากเด้อคิดให้สบายโอ้มานีมาพักผ่อนก่อนนะวัาสั่นเหตุงานมาดมดปีทำงานเลี่ยงครอบครัวทุกยากลำบากใส่หนีใส่สินเงินใจบิวบางเดือนกับพ่อบางเดือนกับ่อพ่อมันยากเลยมาพักผ่อน เ็ดมื่นแปดมื่นเนี่ยหลวงพ่อยากยาใดสักสิบมื่นถ้าอยู่ใดนะถือพุ่พ่อจัดเมืองไทยมีสามสูตรสีรนะ่สูตรเนีสูตรสามื่นสูตรห้ามื่นสูตรเจ็ดมื่น ส, สูตรสิบมื่นแต่สําหรับพระสูตรหนึ่งเดือนพระเอาหนึ่งเดือนคราวที่แล้วก็ไปหลวงพ่อไปจัดให้พระเดือนมีนา้าเดือนหนึ่งเต็มๆนะยู่บนห้าสิบโกงไม่ออกสามสิบ นะใจเอาด้วพอออกก็มีหน่อยนะแล้วนั้นมูเห่าหนึ่งจะสิบมื่นนี่พอดีนะเนาะเ็ดมือก็หน่อยฟูดมันบะหน่อยบะหิดหอดบานเพรแหงน่ะ น, นะสิบมื่นนี่นะบาคนอยู่บ่อดเนี่ยห้ามือเพราะถอดเ่าะัหนว่าคนก็ต้อลองนะ้งนะกันนะก็บมเมนที่ข้านดอกเบียกมันบังคับนะเบียกมันบังคับเพราะฉะนั้น โอกาสวาสนาดีจังซี่ยังได้ไก็ตุเหตุผลให้ถือมันบนเรือสตติปัญญาาไปได้หรอกมันบป็ของโมเมนของยากแต่ที่มันยากคือเขาขึ้นเอาอนะเขาขึ้นเอามันถึงยากเวลาโบราณมันอโอ้ขึ้นยากเหะอมันบ่กแต่ว่าขึ้ง่ายในบูมี่ได้ไหมวะไม่ได้ขึน้นยากเนาะพ่อใหญซุกว่าขึ้นง่ายอย่างเทียววะโอ้ขึ้ยากได้งงั้นนี่ยมันวะเออไม่ได้ขึ้นแล้วมันยากเนี่ยมัน ที่มันยากก็อย่างเขาคืดเดามันยากันนะแต่เอาเห็ดเดามันบายากเดียเห็ดง่ายๆโดยเฉพาะวิธีการของพ่อเทียนน่เห็ดเพื่อให้เกิดความสุขสบายบดไอเห็ดเพื่อทุกเพราะร่างกายนี้มันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติอยู่แล้วมันเอาบดทุกข์มันก็ทุกข์ของมันอยู่แล้วอทุกข์นักทุกข์เบาทุกข์หิวทุกข์อยากทุกข์ป่วยทุกข์ไข้ทุกข์ การทุกงานนี่บอกพ่อทั้งกายทา้งใจก็ทุกอีกทุกอืมเว้าดาเสียสีทุกถูกซุประมาททุกโบได้เขารบให้เกียรติกันอทุกเพราะเข้าใจกันบูถึกทุกทึทั้งนอกทั้งในเนี่ยเนี่ยโดยธรรมชาติมันทุกอยู่แล้วเนี่ยทามาเหตุเนี่ยมาเหตุแก่ทุกบาเหตุให้มันตื่มทุกเลยเหตุแก่ทุกลองเบื้องดีเดู ที่นี่เขาจะเอาความหูจากใสความหูจากที่เขาแก่ทุกแต่ละเธอเนี่ยเขาตั้งใจแก่ความหูเกิดมองนั่นเด้เวลาเขานักมันบ่เวลาเขานัดน่วงขยับก่อนที่ขยับให้นหูเมียจะก่อนเด้ยขยับขยับไปการที่เขาขยับเป็นสี่เราเห็นความทุกข์มันคลายลงแต่เห็นความสบายปรากฏขึ้นเนั่นคือตัววิปัสสนาความหูวิปัสสนาเกิดแล้ว บวหาใจมานั่งเหตุยุ่งซีเดไม่ออกไปนั่งกินข้าวนั่งในห้องในห อ, น, หอนั่งใสกระามทุกครัง้งเวลามีเหตการเปลี่ยนีบทจากนั่งไปหาเดินบวจากเดินไปหายืนบว <c oughs> ในคณะที่เชื่อมต่อระวงังอิเดบทเนี่ยตัวนั้นสำคัญ ที่ห้ามานนี่เ้ามาเฮียนตัวนี้เด้พอตลอดเวลาเขาก็คือเขาบุกค่อยหูชักเถื่ออยากลูกก็ลูกโหลดอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนโหลดอยกไปก็ไปโหลดอ่าอยากกินก็กินโหลดอยากบอกอก็วก้าโหลดอย่างนี้นะนี่คือความยากของมันเพราะเห็นน่ะมาตลอดชีวิตสังเกตในมือคือนนนนบนรอบหลายคนนเลเนี่ยสามสี่คน มูนี่อนุญาตกินข้าวอนุญาตให้ไปนอนได้พายายามแก่อยู่ได้แต่แก่ปวดรบผมมันมือขึ้นในนอนหน่อยหลีอนอนบาสนิดเนาะห้องเฮามีแอร์มีพัดลมมีเสียงเพล ง, งเบาๆมีบรรยากาศนา น, นอนบางคนประนั้นก็ยังนอนบ่รับต้องได้ใส่ยาดื่มยาไปอีกสองเม็ดพวกเราไม่ใช่นอนรับเพราะฉะนั้นมูนี้ผู้ใดง่วงเหงาเฮานอนบ่ทำเก่งใจรู้พอกินข้าวเพลนเวลาไหยิบสักสองชั่วโมงซะอ่าโอ้หยิบทุกคนบ่ไหวเดือบไป สนามปฏิบัติล่างเป็นปลายซ่าเลยนะเว้ยบางคนเท่านั้นนะว่าบางคนที่อ่อนแอนนแต่คนเข้มแข็งก็บอเอาแล้วว่าคนเข้มแ ข, ข็งอสู้นะแกดังนั้นเขาลองบึงนะงศึกษาลองบึงวิธีเปลี่ยนลองบึงได้ผู้ใดบุทันเปลี่ยนอีบสก็เปลี่ยนซะ